ให้ทัทั้งหลายพุทงธรรมะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ค้าคข้าอยู่กับกายวาจาใจของเราทั้งผิดทั้งถูกมีอยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่ทาไมถึงต้องมีผู้แสดงให้ฟังก็เช่นอย่างพระพุทธเจ้ามาแสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังนั่นแหละ เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่สามารถจะทราบได้พระพระทุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยการพิจารณาของท่านในแง่ต่างต่างอย่างความเป็นสุขเป็นทุกข์ความกำ เ, เริกแห่งชีว็ตปัญหาอาสวะแง่ต่างต่างแสดงขึ้นมาจากภายในพระองค์เป็นผู้บำเพ็ญเป็นพระองค์แรกแห่งศาสตร์ พุทธศาสนาเหล่านี้ที่เรียกสยามภูก็คือทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครที่จะแนะแนวทางให้เพื่อสันติสุขอันกเกษมนั่นเลยได้ทรงค้นคว้าพิิพิจารณาด้วยพระองค์เองจนปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนไม่มีที่สงสยัยทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูก ถึงผลทั้งความเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ทรงทราบในขณะเดียวกันจากการพิจารณาแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นที่ทรงค้นคว้าและทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วออกมาสั่งสอนสัตว์โลกาศาสนธรรมของพระพทุทธเจ้าจึงเป็นที่แน่ใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายสาหรับ ชาวพุทธของเราได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่เช่นเดียวกับยาที่นายแพทย์ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่ามีผลประจักษ์แล้วก่อนนำออกมารักษาโรคีธรรมโอสถเป็นธรรมชาติที่พระองค์ท่านได้ทรงค้นคว้าทดสอบดู จนแน่ในพระไทยแล้วทั้งผลก็ประจักษ์ในพระองค์เองจึงได้านำมาสั่งสอนชา์โลกที่เรียกว่าศาสนาหรือศาสนาธรรมให้เราทั้งหลายได้นำมาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เมืองไทยเราถ้าเราจะเทียบถึงเรื่องความโงค่ความฉลาดโลกเขาก็ว่าเมืองไทยเรานี้โง่กว่าประเทศอื่น ส่วนที่โง่ก็คือสิ่งที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจเรากรย็ยกให้แต่ในแง่ทางพุทธศาสนาด้วยและแล้ ว, ล ว, ลวเมืองไทยเราฉลาดได้พุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิ่มาประพฤติปฏิบัตินี่เราก็ฉลาดในทางนี้เพราะได้ฟังคําทั้งสอนของท่านผู้สิงกิเลสเรียนวิชาจากท่านผู้สิงกิเลส ที่เรียกว่าเป็นจอมปราดแห่งโลกทั้งสาไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าได้เลยเราได้น้อมนําเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเข้ามาสู่จิตใจของเราพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นเต็มกําลังความสามารถของเราที่จะทําได้ชื่อว่า เราแม้จะเป็นคนโง่ก็ได้สิ่งประเสริฐไว้ครองใจจะเรียกว่าฉล า, าดก็ไม่ผิดคือโง่ทั้งหนึ่งก็ฉล า, าดในทางหนึ่งบุญาตายายของเราได้เทิดทูนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำมาจีางเรียกว่าฉล า, าดให้เราให้พยายามรักษาเมรดก อันถูกต้องดีงามนี้ไว้เป็นสิริมงคลแก่กายวาจาใจของเราเราจะมีสมบัติอันล้นค่าไว้ครองภายในกิจอยู่ที่ไหนจะเย็นคนมีธรรมะย่อมมีทางที่จะเย็นได้เสมอไปนอกจากคนไม่มีธรรมะเท่านั้นจึงหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ว่าจะมีความร่มเย็นเป็นจุดเมื่อไหร่ ทำไมจึงพูดอย่างนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องส่วนใหญ่คือจิตอันเป็นรากฐานสำคัญของการคลองโลกครองธรรมตลอดถึงหน้าที่การงานความเป็อยู่ทุกด้านขึ้นอยู่กับใจผู้เป็นหัวหน้าทั้งนั้น น, นี่ที่ว่าหาจุดหมายปลายทางแห่งความสุขไม่มีไม่ปรากฏ น, นั้นก็เพราะไม่มีหลักที่จะให้เกิดจุดหมายปลายทางได้คือหลักที่ถูกต้องแน่นยา ที่จะให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสุขความสบายภายในใจดังนั้นนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้แล้วเราจะหาได้ยากเราไม่ได้ประมาทเรื่องวัตถุทั้งหลายที่โลกถือว่ามีความเจริญจะมีตึกดามบ้านช่องมีถนนถนนทางมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่รื่นเริงบันเทิงไปประเทศใดเมืองใดว่าบ้านนั้นจเจริญเมืองนี้จเจริญมันตั้งแองเจริญอยู่ตั้งแต่วัตถุ โน่นอิดปูนหินสายเหล็กที่เขาก่อเป็นตึกเป็นรามบ้านท่องหูหราโนุนไปเพลินหูเพลินตาชั่วคู่ชั่วขณะแล้วก็มีแต่ความทุกข์แม้ที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของตึกรามบ้านท่องอันให่โต น, นั้นเราลองไปถามความสุขกับเขาดูทีว่าเขามีจุดหมายปลาทางอะไรเขามีหลักอะไรเป็นเครื่องยึด ให้จิตตจขงเขาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเขามีสิ่งเหล่านั้นนี่ก็จะไม่เจอเพราะความสุขอันแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นโดยถ่ายเดียวส่วนใหญ่อยู่กับธรรมธรรมนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมจิตใจ ฉโลมจิตใจให้มีความแช่มชื่นเบิกบานให้มีสถานที่จอดที่แวะที่อยู่ที่อาศัยที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ในธรรมนี้เป็นสาคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโดยถูกต้องที่สุดว่าให้พึงฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรม สิ่งภายนอกที่มีมากน้อยเราก็จะได้เป็นสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะกายมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยด้านวัตถุเช่นข้าวน้ําโภชนาะอาหารเครื่องนุ่งห่มใช้สอยต่างๆนี้เป็นความจำเป็นสำหับร่างกายพอใจจะได้รับความสบายไปด้วยบ้างแต่อย่าลืมที่ความอบอุ่น ความสบายอันมีหลักมีเกณฑ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมทมนี้ให้ผลเป็นสุขภายในจิตใจโดยเฉพาะอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเป็นตามคติธรรมดาของโลกอนิจจังทุกขังนาตาซึ่งเป็นของแม่นอนมาแต่การไหนแต่ใจมีที่ยึดมีที่เหนียวมีเกาะ มีที่พึ่งมีที่อาศัยให้เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีสารณะชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งคือว่าเป็นผู้มีความสุขความสบายล่มเย็นพานาจิตใจแม้สิ่งเราคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นมีความแปรปรวนสลายไปและย้อนเข้ามาคิดถึงสกลกายชีวิ ต, ตจิตใจของเราซึ่ง ก็อยู่ในกฎธรรมดาเหมือนกันคืออั น, นิจังทุกขางหน้าตาเราก็ไม่เดือดร้อนเสียใจเพราะใจมีหลักยึดใจมีเรือนใจได้แก่ธรรมคือบุญคือกุศลที่ตนได้สร้างเอาไว้ได้อบรมไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้รับความอบอุ่นแม้สิ่งใดจะสลายไปเราก็ทราบตามหลักคติธรรมราเสียเราไม่ได้เพลินไม่ได้หลงไปตามนั้นเพราะจิตมีที่ยึดมีหลักมีแหล่งอยู่แล้ว เมื่อถึงการก็เป็นไปตามที่มีความรู้สึกไปนี้โดยไม่สงสัยนี่ชื่อว่าสร้างรวนใจรวนใจจริงเป็นอันดับหนึ่งของรวนกายรวนกายเป็นอันดับที่สองเมื่อรวนใจมีแล้วหลักใจมีแล้วหลักธรรมมีแล้วภายในใจเราจะปลูกสร้างอะไรก็ตามภายนอกก็เป็นสิริมงคลไปทั้งนั้นเพราะใจเป็นตัวสิริมงคลอยู่แล้วด้วยธรรม แต่ถ้าใจหาสิริมงคลไม่ได้แล้วสร้างอะไรขึ้นก็าตามเหมือนกับสร้างขวากสร้างน้ำไว้สําหรับปากเสียบตนเองเราเคยเห็นคนที่มีสมบัติมากๆแต่หาความสุขไม่ได้กลายเป็นคนปเป็นเรื่องเสียคนหรือคนเสียคนไปกเปเยอะเพราะอํานาจแห่งสิ่งเหล่านั้นพาให้เพลินลืมเนื้อลืมตัวจนกระทั่งเสียคนไปเพราะจิตไม่มีหลักไม่มีที่ยึดลืมเนื้อลืมตัวไปกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับว่าตนจะได้ ที่เหาเหินเดินฟ้าเพราะมีสิ่ง่งนั้นแต่เมื่อวลาสิ่งนั้นสลายตัวลงไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเสียอย่างนี้ความเคยชินของจิตที่เคยมีความฟุ้งเฟอ้อเหิมมาประจานิสัยไม่เสียไปยิ่งจะทำให้จิตใจกาเริบและเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากขึ้นที่เรียกว่าเสียคนได้ผู้มีทําไม่เสียมีมากมีน้อยรู้ตามความจาเป็น ที่จะนํามาใช้ทำมารักษาหรือปกครอกเมื่อเสียไปก็ทราบโดยเหตุโดยผลของมันใจก็ไม่เดือดอร้อนเพราะหลักธรรมเป็นหลักใจหลักใจเป็นหลักธรรมเราอยู่ด้วยธรรมการประพฤติ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีธรรมเป็นเข็นคิดทางเดินแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกเพศทุกวัยพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนให้รู้จุดสําคัญ ของสถานที่อบอุ่นสถานที่เน่ใจคือเรือนใจได้แก่การปฏิบัติอบรมธรรมะให้เกิดให้มีภายในตนเขีย่นการให้ทานให้ทานเราให้คนนั้นยื่นจากมือคนนี้ไปสู่มือคนนั้นผลทานที่เราสละไปนั้นก็ไม่ได้เสียหายไปไหน ฉันละออกจากความเป็นประโยชน์ของเรานี้ก็ไปเป็นประโยชน์สาหรับคนนั้นเช่นเรายกอาหารที่ควรจะรับทานอยู่แล้วนี้ให้คนนั้นคนนั้นเขาได้รับทานอาหารเราได้รับทานความปีติยินดีได้รับทานบุญกุศลภายในจิตใจของเราเป็นประโยชน์ทั้งสองด้านนี่คือว่าเราสร้างเดือนใจให้จากตัวของเราสร้างความสุขความสบาย ให้แก่กายและใจของผู้อื่นที่มีความหิวโหยแล้วได้สองประเภทไม่สูญหายไปไหนการรักษาศีลก็เหมือนกันศีลคือความดีงามเป็นเครื่องระ ง, งับดับความขนองของกายวาจาที่แสดงออกอันเป็นของไม่งาบเมื่อมีศีลเป็นเครื่องประดับแล้วกิริยามลายาการประพฤติปฏิบัตยิย่อมมีความสวยงามเจ้าของก็อุ่นเย็นใจเพราะเจ้าของไม่ได้ทําผิด เพราะล่วงเกินสิขนน่ข้อนั้นข้อนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นลรือนใจทั้งนั้นแล้วจะพอยางยิ่งกิตตภาวนาการอบรมกิจให้มีความสงบร่มเย็นด้วยธรรมบทใดก็าตามนี่เป็นสิ่งสําคัญซึ่งเป็นที่รวมแห่งบุญกุศลทั้งหลายการให้ทานมากน้อยก็าตามการรักษาศีลมาจำนวนเป็นเวลานา น, านเท่าไหรก่ก็ตาม สฐานที่เก็บก็ลงในกิตตภภาวนาคือรวมแห่งสมบัติทั้งหลายให้แก่บุญกุศลไปรวมอยู่ที่ใจทั้งหมดฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งกุศลน้อยใหญ่ลงไปอยู่ที่นั้นแล้วสร้างดนใจให้แก่ตนโดยลําดับลําดับจนมีความแน่นหนามั่นคงรู้สึกตัวอยู่โดยลําดับเรื่องโลกอนิจังมันจะแปรสภาพไปไหนก็ทราบทุกระยะอายะ รู้เท่าตามเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปเป็นอยู่ตนเองก็ไม่หลงจิตใจก็มีความร่มลื่นมีความชุ่มเย็นภายในตัวเองยิ่งสร้างได้มากจิตมีความสงบร่มเย็นมากยงไงก็ยิ่งเห็นประจักษ์ภายในจิตใจว่าเรือนใจของเรานี้มีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเรือนใจก็คือธรรมธรรมคือความสงบร่มเย็นหรือความเฉลียวฉลาดรอบคอบ แก้ไขจิตใจของตนในเมื่อคิดออกไปในแง่ต่างๆที่เห็นว่าไม่ดีได้ทันท่วงทีนี่ชื่อว่ากองมหาสมบัติที่เราจะพึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงทั้งปัจจุบันและอนาคตในเมื่อเราได้ยังได้เดินอยู่ตามมัฏฐนนิตราบใดเราจะได้อาศัยคุณสมบัติที่เราสร้างนี้ไว้เป็นสมบัติ เพื่อนปกครองหรือเป็นเครื่องสนองตนเองไปโดยลําดับไปอยู่ในสถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดพบกําเนิดใดก็ตามอนนานาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างไว้นี้จะไม่แยกหนีจากใจของผู้เป็นเจ้าของนั้นเลยจะแนบสนิทติด ก, กับใจนั้นไปทุกสถานทุกการสถานที่ท่านเทียบไว้ว่าฉายาเอว่าเหมือนกับเงาเทียมตู แต่เงานี้ปรากฏในที่แจ้งเท่านั้นเข้าสู่ที่มืดแล้วเงามไม่ปรากฏส่วนบุญส่วนกุศลนี้ปรากฏอยู่กับจิตติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี่คือสมบัติของใจแทรื้เรือนของใจแทะอยู่ที่ตรงนี้เราอยู่ในโลกเรามีทั้งโลกมีทั้งธรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งนามธรรมา เราจำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยกันทั้งสองอย่างคือ ท, ทางด้านจิตใจก็ให้มีอาหารเป็นเครื่องบำรุงได้แก่บุญแก่ผู้สนศีลธรรมส่วนร่างกายก็ให้มีวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องบำรุงพอบำบัดเยียวยารักษาไปตลอดถึงอาวาสานแห่งชีวิตแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องทำทางานต้องวิ่งเต่นขอนควายหาอยู่หากินมีรวงมีรัง เป็นธรรมดาเพราะหาความร่มเย็นเป็นสุขหาที่ปลอดภัยมนุษย์เรายิ่งมีความฉลาดกว่าสัตว์จําเป็นก็จะต้องยิ่งเต้นผวผายอย่างหน้าที่การงานเราทั้งหลายที่ทําอยู่มาเป็นประจําตั้งแต่ดึกดําบันมาจนกระทั่งบัด น, นี้ก็เพราะความจําเป็นแห่งธาตุขันคือร่างกายมันเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นให้ต้องทําเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณแก่ร่างกาย เป็นสิ่งที่บำบัดนักษาให้ร่างกายมีความเป็นอยู่และใจก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากจนเกินไปฉะนั้นโลกเราจึงอยู่ว่างไม่ได้ต้องทํางานทั้งภายนอกเพื่อทั้งฐานร่างกายความเป็นอยู่ทั้งภายในจิตใจโดยเฉพาะซึ่งเป็นรากฐานทั้งฐานที่เราจะต้องสร้างเวียนใจให้ใจได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขนางท่านทั้งหลายที่บำเพ็ญมาโดยลําดับนี้ชื่อว่าดําเนินถูกต้องแล้วตาม ทางของพุทธบริษัทคือลูกเต้าเหล่าคอความพระพุทธเจ้าผู้ทรงบําเพ็ญมาก่อนแล้วการให้ทานพระองค์ก็ทรงบําเพ็ญมาแล้วจนเป็นที่ประจักษ์ไม่มีใครที่จะเป็นนักเสียสละยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกอันนี้ให้ทานทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ทานเพราะอํานาจแห่งพระเมตตาเป็นสําคัญผลที่สุดทรงสละลายชสมบัติ ออกไปบวชแล้วก็ยังต้องได้นำธรรมะมาทานมาให้ทานแก่โลกเช่นประทานธรรมะไว้แก่พวกเราที่เรียกว่าศาสนาธรรมนี่ออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าล้นล้วนนี่ก็ชื่อว่าเป็นทานอันนี้พระองค์ได้ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาศีลพระองค์ก็เยี่ยมการให้ทานก็เยี่ยมจนกระทั่งถึงสละได้หมดภานา จ, จิตใจไม่มีสิ่งใดที่ติดข้องเลย จึงได้นำธรรมะเหล่านั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกให้เราได้ดำเนินตามว่าทางนี้เป็นทางเพื่อความเกษมทั้งตนและผู้อื่นเป็นทางให้เกิดความร่มเย็นเป็นจุกทั้งตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจึงไม่เคยเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดทั้งหมดในโลกนี้ตลอดมาผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นภัยผู้ใดเห็นศาสนาว่าเป็นของคลึกของลาสมัยเห็นศาสนาว่าเป็นยาเสพติดผู้นั้นแลคือเป็น ผู้เป็นภัยต่อโลกต่อสงสารแ ต, ต่ต่อสังคมทั้งหลายตลอดถึงต่อตัวเองด้วยเพราะขัดแย้งกับหลักแห่งความเจริญของบ้านเมืองหลักแห่งความเจริญของบ้านเมืองก็ดังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้การให้ทานกันเกิดจะเป็นความขี้ผายแก่กันได้อย่างไรการรักษาศีลเพื่อความระ ง, งับดาบเสียซึ่นความคอนองที่จะกอบความเดือดร้อนจะียหายหแก่ผู้อื่นนั้น ก็เป็นความงามสำหรับทุกคนที่จะพึงประพฤติปฏิบัติแล้วการเจริญเมตตาภาวนาให้จิตมีความเฉลียวฉลาดมีความโน้มเงย็นไปจุกให้เกิดความเมตตาสงสารเห็นท่านเห็นเรามีความเสมอภาคกันด้วยความเป็นสาระสําคัญเหมือนกันเหมือนกันทั้งชีวิตจิตใจและทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวของคนและสัตว์มีความเสมอภาคด้วยกันก็ไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ได้ทรงสั่งสอนทุกอย่าง ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินตามนี้เพราะฉะนั้นศาสนาตึงเป็นสิ่งที่ลาบลื่นที่สุดผู้ใดได้พุทธ ป, ปฏิบัติตามศาสนาธรรมนี้แล้วจะเป็นผู้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะทรรไม่เคยเป็นพิษเป็นภยัยต่อผู้ใดนอกจากให้ความร่มเย็ยนเป็นสุขแก่โลกตามมีความมีมากมีน้อยของผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นเราก็ให้พยายามทำความร่มเย็ยนเป็นสุขให้แก่เรา เพราะคําว่าเรานี้ก็หมายถึงใจโดยตรงถูกกิเลสเจียบย่ําทำลายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมาตั้งแตก่กับไหนกันใดใ น, ในชีวิตของเหล่านี้เราก็ทราบ ม, มาแล้วว่าได้รับความทุกข์เพราะอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นภัยนี้นี่สิ่งที่เป็นภัยก็คือเรื่องของกิเลสเป็นภัยต่อสารโลกเป็นภัยต่อเราการบาเพ็ญธรรมจึงเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อเราโดยตรงเพื่อจะ ให้มีความสุขความสบายขึ้นมาเมื่อกิเลสเหล่านั้นค่อยลดน้อยเบาบางลงไปตลอดถึงกิเลสเหล่านั้นสิ้นซากไปหมดเพราะการปราบปรามของเราแล้วเราจะเป็นผู้มีชลตะเต็มที่เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้เท่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะเหนือจากธรรมที่จะปราบปรามสิ่งที่เป็นเสี้ยนนาำแก่จิตใจของเราตลอดถึงสววง่วนรวมขอให้เราทั้งหลายได้พินิจพิจนนารณาบำเพ็ญตนชีวิตจิตใจของเรานี้มันเหมือนกับวัตถุที่ผูกแฝันอยู่บนต้นไม้ไม่ทราบมันจะขาด หลนตุ้มลงมาเมื่ อ, อไหร่อืเมื่อเชือกมันไม่มั่นคงมก็ขาดเพราะความกดท่วงมันมีตลอดเวลากําลังของสิ่งที่ผูกมัดนั้นมันอาจจะต้านทานมาได้ในวันใดวันหนึ่งมันต้องขาดลงมาได้เพราะความกดท่วงหรือน้ําหนักนี้มันถ่วงตลอดเวลาในเรื่องความตายมันถ่วงอยู่ตลอดเวลามันไม่มีวันลดน้อยถอยลงเลยเพราะฉะนั้นความแก่ความชราขั้มคร่ามัมนจึงค่อยเป็นไปเป็นไปเมื่อ จุดจดท้ายแล้วมันก็โหลนตูเหมือนกันกับที่สิ่งผูถูกผูกแฝงไว้นั่นแหละเราจึงไม่ควรประมาทในขณะที่เราทราบอยู่ว่าความตายนี่มันเป็นเช่นนั้นมันมีอยู่ทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ไม่ว่าประเภทไหนไหนมันถูกผูกแฝงไว้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะหลนตูมลงก่อนหน้าหลังกันอยู่ไหนป่าช้ารอบด้านเราอย่าสงสัยเรื่องความตายมันอยู่กับตัวของเรา ข้างหน้าก็ตายได้ข้างหลังก็ตายได้ข้างบนข้างล่างภายในร่างกายของเราเนี่ตายได้เพราะฉะนั้นจึงว่าป่าช้ามันมีอยู่รอบไา้เราอย่าได้ประมาทนอนใจเมื่อเป็นโอกาสทั้งเราที่จะมรรเป็นคุณงามความดีเมื่อไรให้เราพยายามทําเราจะให้กิเลสมันมันแยกทิ้งเอาไปหมดเวล่ำเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งยี่บี่ชั่วโมงหาเวลาที่จะบำเพ็ญความดีไม่ได้ก็แสดงว่าเราโง่วงกว่ากิเลสสักจนเกินไป พอกิเลสนี้มันแหลมคมมากมันเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักรนีน้มาเป็นเวลานานมันแยบออกมาคําไหนจึงเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นฤทธาสักดานุภาพให้เรากราบไหว้มันอยู่ภายในจิตคือยอมจํานวนมันตลอดเวลาไม่ทราบว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอะไรเลยเชื่อมันทั้งนั้นเช่นเวลาจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งนี่นี่มันจะเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมันหลอกแล้วอืพอนั่งภาพอยู่ก็จะเอามรรคผลที่พานมัแล้ว ทำไม่ได้อย่างใจก็ขี้เกียจแล้วนะ่ยความขี้เกียจก็คือเรื่องของกิเลสมันไม่ใช่เรื่องของธรรมลงธรรมคือความขยันมันเพียนเอาได้มาได้ก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสกิเลสมันเป็นกิเลสมันหลอกคนเสมอทำมาพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกพระพุทธเจ้าไม่เคยหลอกสัตว์เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วเราก็จะต้องไรับความหลอกมันเรื่อยๆไป ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นกิเลสที่เป็นข้าศึกก็ต่อสู้กิเลสและมีวันชนะจนได้นานเอากรงนี้นี่มันเหยียบย่ํยทาทำลายจิตใจเรามาเป็นมิลานานให้เราเห็นภัยของมันและพยายามบําเพ็ญการบําเพ็ญคือความตะเกียกตะกายตนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากเพราะอํานาจของกิเลสนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากลําบากหรือบ้างเหมือนกันแต่ยากลําบากก็ตามพระพุทธเจ้าก็ทรงทำมาแล้ว ถ้ า, าว่าตายก็ควรจะตายก่อนเราแล้วนี่ก็ได้ผลเพราะความลำบากได้ผลเพราะความเพียรได้เป็นเป็นศาสดาสอนโลกและเป็นผู้ทิพพ้์จะทุกได้เพราะอํานาจแห่งความเพียรตางหลักตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าวิริย์นัทุกขมารเจติตคนจะล่วงพ้นความทุกได้โดยลํา ด, ดับๆจนกระทั่งถึงพ้นทุกโดยสิ้นเชิงได้เพราะอํานาจแห่งความเพียรนี่เป็นหลักธรรมที่ศาสดาสอนไว้ ทวาที้เกียจขี้คลานไม่ทําประโยชน์ให้รายให้เกิดขึ้นเลยนอกจากเป็นการสั่งสมกิเลียดให้เต็มหัวใจเท่านั้นซึ่งมันก็เต็มอยู่แล้วไม่มีใครบกพร่องเรื่องกิเลียดนี่ถ้าเอาไปขายทอดตลาดจะาตาังค์นึงก็ไม่มีใครซื้อเพราะต่างคนต่างมีต่างคนต่างเต็มร้านอยู่แล้วแต่ธรรมะนั่นเป็นของที่หายากเราจรึงควรพยายามอันนี้หาให้หาทางธรรมานี้ออกโชมันซะหน่อย ไม่ได้โชว์ข้างนอกก็ตามแต่มันโชว์อยู่ภายในจิตใจของเรามีความอาหาัหจรรยลื่นลึงมีความสุขความะบายอยู่ภายในจิตใจนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสมบัติเป็นผู้มีความกล้าหาญอยู่ภายในตนจะเป็นจะตายนั้นมันเป็นเรื่องของธาตุของขันที่จะต้องสลายไปด้วยกันทุกรูปทุกนามตายก็ขอให้อิ่มท้องหมายถึงว่าให้อิ่มใจอย่าให้ตายด้วยความหิวโหยไม่มีบุญมีกุศลติดตัวแม้แต่นิดหนึ่งเลยมเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ไปโลกไหนก็ไปเถอะก็จะต้องมีแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่ไมีบุญมีบิไม่มีบุญมีกุศลติดใจเลย <S <S ผู้ที่มีความเหงือดแห้งผู้มีความเหี่ยวแห้งผู้มีความทุกข์ความอันดานอยู่ภายในจิตใจนี้ไปที่ไหนจะหาความสมบูรณ์ไม่ได้ <S <S ผู้ที่มีความชุ่มเย็นเป็นสุกเพราะอํานาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แล้วนี้ไปพบไหนก็ไปเถอะจะมีความร่มเย็นเป็นสุ ข, สขไปอยู่นั้นตลอดไปเพราะอํานาจแห่งกุศลที่ตนสร้างไว้แ ล, แล้วนี้นี่เป็นหลักสําคัญที่ประจําใจของสัตว์โลกด้วยด้วยกัน ยังขอให้ทุกท่านแนะนำแบบพินิพิจารณาและอุตสาหบําเพ็ญตามกําลังความสามารถของตนย่าได้ลดละเราเชื่อพระพุทธเจ้าให้พยายามเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อกี่เหลือตัณหาอสุะซึ่งเป็นของที่ต่ํำทรามนี้ได้เชื่อมันมานานแล้วถูกมันโกหกซะนานแล้วเวลานี้ครับเราพุททางทำมังสนงะนังกฉามิเราได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงด้วยน้ําใจของเรา เราพยายามเชื่อพระพุทธเจ้ายากก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเคยยากมาแล้วเหมือนกันยากมาก่อนเราแล้วพยายามมาก่อนเราแล้วได้เคยทุกเคยลำบากเพราะความเพียรก่อนเราแล้วท่านได้เป็นศาสนาเพราะความเพียรเหล่านี้ไม่ได้เป็นศาสดาเพราะความขี้เกียจเพราะความอ่อนแอเพราะความท้อถอยเพราะฉะนั้นคําว่าพุตังสนังกระชามนี้เราจึงดําเนินตามแบบของลูกศิษย์ที่มีครูจึงขอุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้